เ, เมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2 5 0 9ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนโวันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกจิตพระถากฏซึ่งปรากฏในโลกทั้งสาม ซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดราแล้วที่เป็นลูกพระถากดได้มาปรากฏ ต, ตัวในที่นี้ล้วแนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุสาพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่ทางนครเวียงจันท์ แม้พูดที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระธาตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่ ว, วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอ ที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้สนิสนมกลมคลืนกันได้ต่างชาติท่านวันนั้ต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใดก็คือ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านะท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อง ก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งใล้กันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่และครั้งละครั้งรู้สึกว่าสละ<ม>ทั้งเวลาเวลาทรัพสมบัติตามีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมพลีเพื่อบูชาพระตนะไตรให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตน สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาจีบขวางทางเดินของเราได้หนีจึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้พุตาฝ่าฟื้นความลําบากลําบนในสถานที่ไม่เคยอยู ตลอดถึงอาหารการรับทานปีนผ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความโยมสายในพร a t h ต a t r a y คือปุ์กระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ทราบฝากครูว่ า, าจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าไกล่หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คาหนึง่งขอต่ให้ ไ, ไป บำเป็นเต็มทัติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญนางท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลา ด, ดับย่อบำเ น, นินตามทางสายนี้ยึงเลยสามารถฝาฟืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่ยิ่งขอขอบคุณและอนุโมทนา บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห พ, พยายามเต็มกำลังความสามารถที่แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุ ญ, บญสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะ มองเห็นน่องเห็นรอยแป่เป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลังเมืองดีได้ก็เพราะอานาจกา ค, ความเชื่อธรรมธรรมาธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่าเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอ็นเอียงสภาพทุกสิงทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอน จะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความขาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจําอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัดสรู้ขึ้นมาก็มาจัดสรู้พระธรรมนี้แหละไม่ได้ไปจัสรู้อันใด ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปกป ร, ราบและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะไม่มีระนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถ ทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกได้จึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมุนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกันกบพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหน ยอมจะอาศัยความสว่างสวยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกผลไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องด้อาศัยพระอาทิตย์าหดับผูมีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่ง สำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนหนึงพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปดีโปออกจากศาสาดาคือพระพุทธเจ้าของเรา ให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารบธรรมะเทวดาอินพรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์จ่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกฐานต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหวนอกจากคนที่ จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อ ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในาำรับตำลาลุคคูบาจาทนท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ชี้บอกไว้เึ่นทื่ว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดี สิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาตุกผนอบรมตนแม้จะเป็นความลาบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทําตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบาเพ็ญให้เป็นผลส่วนดี คือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียหนะในเรื่องความทุกจะทุกในการขวัญขวายยิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็าตามจะทุกในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็าตามจะทุกเพื่อการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเศษมีแดนด้วยอัดด้วยธทำก็ตาม ย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรคในทุกเหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ทานรักษาศีลภาวนามี่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่ ว, วไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า เป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางเลี้ยทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิดอยู่ได้ก็ชั่วขณะมิชั่วระยะการแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทางนั้น พระพุทธเจ้าท่านชี้แกงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วๆไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสภาวกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่คลองกันอยู่รืนี้ เป็นขึ้นมาจากกองท่าสี่ดินน้ำลงไฟประทุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองอย่างนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี่แล้วก็ย่อมมีการแปลสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปมี่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิน่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ที่บอกไว้ทุกแง่ทุกมุม เมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับลาดับเพราะความผินภายในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงไทยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันในอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้ เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีปาชาิที่จะเพาสศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพดุงจิตใจให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้แหละโลกหนาไม่ว่าพบปาชาใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนเละ้สร้างอย่างนี้ทั้งนั้น เป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเฉลยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแจ่ใจของเราในภพชาตินั้นๆ น, น, นี่การที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตน หรือพระธทรมพระสงฆ์เป็นสมบัตอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลําดับลานาแต่ปู่ย่าตายายจน่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเดือมใสอย่างเต็มที่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้มาจริงได้ที่เป็นของไม่กีรังฐาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้น ทิ้งได้ที่จะเป็นไปเพื่ความจรังถางวรก็พยายามจะส่งเสริมบังรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราบำเพ็ญ บ, บุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบดื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่พบธาตุที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบดื่น ด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างใหมเ่เวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบแล้วก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนอย่างดาวดวงหนึ่งหนึ่ง ยังไม่มีความสว่างสวยที่จะทําให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่และดวงและดวงย่อมสามารถส่งแสงสว่างรอบตัวของมันได้หนีเราจะไม่มีอํานาจวาสนาที่จะลื้โลกลื้อสองสารให้เร็ผ่านพน้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบาเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอ นี่เทียบกับว่าเราจะพยายามต่างพยายามสร้าสงสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสนสวรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแหละเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาเอื้องเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวข้างเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลําดับหนึ่ง สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นนั่งมาได้ก็าตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างสวยของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงระดวกเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่าน ก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราไนดะ้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังขึ้นภ า, ายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทําทานวันนี้เราก็ทํามันหน้าเราก็ทําตั้งแต่ปู่ย่ญญาตญยาเคยพาทำมา นานเท่าไรจนกระทั่ง บ, ทงบัด น, นี้และเราจะทําไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่กิจยังอยู่เท่านั้นจะทําไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อวัดสร้างความสว่างสวัยคือบุญ น, นั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากไม่เหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแต่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุขขาดสูญจากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาณถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ต า, าม มีความรักในศีลแลวย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญเหนือตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นภูิมีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนานแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ในแบบของสามกุกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามลูกพรถาก็เช่นเดียวกับ ที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกครูหนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ำดตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งพิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีพิษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคราวาสก็มีอุบาสกได้แกุู่้ชาย ฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาจิกาเช่นเราเราท่านท่านนี่แหละแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนา กอทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดตวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้แล้วเป็นคารวาสเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสตกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านล้วก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทางานมีก็เชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเรา ให้มีความสว่างสวัยแพรวพาภายในจิตใจของเร า, ใ ห, ร า, เาเให้รู้ว่าสั่งจินั้น เ, เป็นบาปจิตนี้เป็นบุญให้รู้ว่าปิดท่องเราวุ่นเป็นยังไงจิท่องเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคัม่าอุบาโตอุบาสิกา ที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคู่ห น, หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความขึ้นฝูมนไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบนาคชาตนานอกจากปัจจุบันนี้เลยียวยังจะต้องทรงเสริมเราไปเป็นลําดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกหนนี่แหละเป็นมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่งคิดกับมิตรสหายภายนอก เรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเพ่ากันอยู่เท่านั้นเห็นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงศ์พงษาเท่าไหร่มีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไหร่ แต่เมื่อถึงข่าวจาเป็นแล้วต่างข้างก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นได้และไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายขอความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอยีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในวกอะไรอีกต่อไปเป็นแต่ยังมีความรักความเสน่หาจนปุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาดเสื่องให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรหายนีพ่อแม่ของเราเป็นตน้นแต่บุญกุศลนี้ เป็นธรรมชาติที่สามารถได้สิทธิสามารถยิ่งกว่าใดใดสิ่งใดใดในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดําเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบิกมงหาแทนเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกข้อตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และลูกความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรา ท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนตราขวดชื่อฤาษีนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสสรู้แล้วก็ ม, มีใครเสมอเหมือนอีกาศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองคละองค์ท่านั้นนี่เพราะความทำที่เกิดจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แปกจากโลกไปเป็นลำหนับนี่เป็นเรื่องของพระพธิสัตว์ทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถไปสร้างให้พระองค์ได้ เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำปุณนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของกติปิดกันกับบุญกับปูชนมากมานี่แยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่า เป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการสรมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อบุญของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันแต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดทึงสิ่งที่จะเว้ ในพบหน้าพบพบหน้ากับพบนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำาแกแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่ลัความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งงั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแย่จำเป็นเป็นผู้มีเกียรติได้จากพยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดี เต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกําลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สมเด็จดังความมุ่งมากปรารถนาของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่าน ม, มาแล้วที่ได้บังเพิดมาแล้วจงมาทั่งถึงอนาคตที่จะบังเกิดต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมากปรารถนาของท่านทั้งหลายในอาสานเห็นธรรมานี้ก็เห็น ว, ว่าสมควรอยู่แล้ ความน่าแางบุญญาลภาพางองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมต้องกระทำเนี่ยสงต่งตามคุ้มครอง อ, งองั้งหลายให้มีความสุขายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่ยทั้งการไปาการมาการเป็นอยู่ทุกสิทุกอยากจงเป็นไปด้วยความสมหังโดยโทั่วหน้ากันเทวังก็มีดูจเปลือกตาและชะมี